มันหายไปโรคส่วนนั้นโรคห้องใจคือโรคที่เดืยดตัดหาท่านกลัวมากหากรักษาไม่หายพราะชาติมีต่อไปมันจะต้องแผ่เขาใจของเราอยู่อีกท่านจึงรีบชำละรีบปฏิบัติเราเราเป็นอย่างไรหรือไมมกลัว เป็นมแมลงเมา่าเห็นไฟแดงๆขอดใจว่าเป็นของหยุดท้งดียิงเขอดใส่บินขอดใส่ตีขาดเผาตัวตายแบบนั้นหรอือผู้มีสติมีปัญญาผู้ที่รู้ธรรมะรู้แบบมแมลงเมาอ่านเอาตำรับตำราแล้วก็ว่าตัวมีสติปัญญาแต่จีรตัญหามันเผาอยู่ตลอดแบบนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสรรเสริญ จงตังหาตัางตาที่แกนาตัางหาตัางตาศึกษาตัางหาตัางตากำหนดจิตใจของตัวธรรมาเป็นของที่คู่ควรแกบุคคลทุกคนไปถางั้งใจประพฤติปฏิบัติเราทุกคนมีสว่วนที่จะได้จกถึงจะสงบ จะเยือกเย็ยนฉะนั้นขอจงนำธรรมะที่อธิบายมานำไปศึกษาต่างหน้าต่างชาปฏิบัติถอดมันไปก็จะเป็นสุขความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นบาพอสองควเเวลาพรยุติธนี้นนการสังสารบางส า, งางบางคนขคงไม่จะมียจะดับแล้ฟังฟัง แต่บางคันงบางคนก็เคยฟังกันมาวันนี้เป็นวันสำคัญทางพสระต่นอวันหนึ่งสุดทางเราจะทางงานเมืองเขาก็หยุดให้เพราะถือว่าเป็วนวันสำคัญที่เป็นมาคันมาคับพูดได้ไหมสัมผีม า, าคับก็เกี่ยดียนมาคับ ภาษาบาลีคื่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนมาคัสภาษาเองเราจสไปที่เดือนสามวันนี้คือือว่าสำคัญนั้นสเหมือนกับเจ้าพุทธเจ้าสำคัญได้แดงโอวปทติโมทำด้วยสุขภูมิสด เียรติสงหนึ่งสองห้าสิบองค์ซึ่งเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นมีพระชุดชนเกียรพลในการทาอุโบสถเป็นหรนที่ทาอุโบสถในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรานเป็นวันเป็นเหยญสาคัญขอนึงก่อจี๋สองกือวันตรงอายอยู่ทั้งสองพระพุทธเจ้า กองอายุสังขารกวันนี้เหมือนกันตากนี้ไปใายในสามเดือนเราจะหาโคตรปริทานกองอายุสังขารกเราท่านผู้ชนคนธรรมดาไม่สามารถจะทราบวันเกิดวันตายของตัวพอถึงเท่าก็จึงฝอยง่อยเงาเจ้าุกเพความห่วงไม่อยากตาย แต่ก็อยู่ไั้นได้เกิดมาก็มีการตายเป็นธรรมดากัรมาภ้าบูชาวันนี้พวกเราท่านได้ศึามาจากทิ่ต่างๆงมารวมกันในว่าจะในประเทศต่างประเทศ่อมารวมกันทรมาทาบูชาการบูชาพระพุทธเจ้านั้น บูชาได้หลายอย่างบูชาทางวัตถุก็เป็นบุญเป็นกุศลบูชาทางพระพุทปฏิบัติก็เป็นบุญเป็นกุศลฉะนั้นพวกเราท่านวันนี้ได้มาไปชุมกันบูชาทั้งสองอย่างทางวัตถุเราก็มีดอกไม้ถูกเทียนบูชาสักการะพระพุทธธรรมพระสง สวนทางปิบัติเราก็กำหนดจิตกำหนดใจของเราให้เข้าถึงพุทธะผูผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเวลาจะดับรับฟังธรรมจากรูอาจารย์ถึงสั้งใแระวังจิตใจของตนอย่าให้ไปกังวล่ยวข้องกับอารมณ์สัญญาอันอื่นถึงเป็นอดีตที่ผ่านมากว่าตามอนาคตยังไม่ถึงกว่าตาม เพราะขณะที่เราฟังเสือดอยู่นี้ไม่มีหน้าที่จะไปคิดไปปรุงอะไรฟังงานด่านใจก็ไม่มีราจ่าที่จะพูดคุยกันก็ไมีใจที่นึกคิดติดตามอารมณ์นั้นถ้าดเราไม่หักห้ามเอาไว้ใจก็ไม่เขาถึงความสงบเมื่อไม่สงบความทุกขความเบิกบานความสว่างสว่าง ก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นโอกาสเวลาที่นัง่งฟังเทศก็คือการนั่งภาวนาชำระจิอท้องใจไปในตัวอยู่คือการบูชาพระพุทธเจ้าด้ยการปฏิบัติบูชาทั้งสองด่างนี้เป็นการบูชาเพือนำมาสึ่ความสุขให้พวกเราและลอกนึกอเอาคนส่วนใหญ่ ในตำบลหนึ arias, ่งหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งหนึ่งหรือในเมืองหนึ่งหนึ่งที่จะมีโชคดีมีอำนาจราชนะได้ต่ามาบูชาพระรัตนตรัยกระดับรับฟังทำคำสั่งสอนในวันสําคัญเก่นนี้นับวันน้อยจนทีส่วนใจลงหนังลงและความไปบ่าไปบากันนั้นนับไม่ขวดใหเราโชคดีถึงมีโอกาสเหลื่อมไส ใจบุญมาวัดมาวานะภาวนารวม จ, จิตใจพาวันมาท้าบูชานั้นไม่ใช่ว่าจะมีอยู่ทุกวันทุกการไปในปีหนึ่งหนึ่งก็มีทางเดียวเท่านั้นคนที่โชคไปดีคนอับดีจันไรก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะมาวัดมาวาได้หรือคนที่มีความเหลี่ยมใส อยากจะมาหาโอกาสเวลาอำนวยให้ถึงวันมาข้าม่เกิดเจ็บไข้ร่างกายในอำนวยอวยใจให้ก็มาไม่ได้หรือจิตทุราจำเจนบางสิ่งบางอย่างหรือเรามาได้ข่อนคือว่าเรามีโชคดีควรมีจิตใจเลื่มเศส้าควรมีความเจ็มอกเจนใจในการบูชาท่องตนในการระดับระดังธรรมท่องตน จะให้เกิดบุญเกิดสุขผลคือความสุขภายในคนเราทําให้มีความสุขแล้วโลกอันนี้ไม่น่าอยู่จะไปอยู่สถานที่ใดหายใจในสุขไม่ ส, มสงบมันไม่มีคือสุขคือสบายให้บ้านช่องเข่าขวางจะมากไมก่ใหญ่ฟองจะใหญ่ตัวระหโหฐานขนาดไหนหายใจเป็นทุกข์ใจเดือดร้อนมันก็ไม่น่าอยู่น่าอาศัย ไม่มีอะไรที่จะสุขจะสบายนี่น้อยถึงใจมันไม่สบายหุ่นวายด้วยกิเลสตัญหาหุ่นวายด้วยราคะโลภต่างๆมีเราะละทุกอย่างเข้ามาวัดมาวาามาา่าบูชามาบูชาพระพุทธเจ้าหวังเชื่อว่าเราโชคดีไม่ได้ป่วยไข้เหมือนเขาคนที่ เคยมาแต่ลมหายตายไปเพราะสรงฐานในกีร า, างอย่างยืนนั้นก็ น, นับนในทวนในกีหนึ่งหนึ่งแต่วันมาฆะเมื่อปีตายนี้เกนกระถังปีนี้คนตายไปนะไม่ทวนนี้เรายังโชคดียังไม่ตายกับเขาเพราะว่าเรามีโชคดีแล้วส่วนด้านจิตใจนั้นทางหาพวกเราท่านเกิดไปนีย้ยอมชมชอบกว่าเรามีโชคดียังมีชีวิตอยู่เพียงแก่นั้นมันก็ยังไมี เหมาะสมให้โอกาสที่เราจะแก้ไขจิตใจของเราที่ยังยุ่งเหยิงวุ่นวายมีกิเลสกัรแหบังหน้าอยู่บริสจะทำบําเพ็ญเสียไน่ว่าวันมาฆะวันธรรมบัญญัตาเราทําดีามดีนั้นก็จะเป็นผลให้จะเราแต่เราทําชั่วลงไปจะว่าวันใดกว่าตามมันก็ชั่วก็เสียอยู่นั่นเอง แจทันชื่อว่าเป็นวันสําคัญนั้นเพราะพวกเราท่านถือเป็นคารวะหาโอกาสเวลาที่จะมาวัดมาวาังนะสดับรับฟังทำคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีมาบูชาพระรัตนตรัด้วยดอกไม้ถูกเทียนก็ดีมาประบัติปฏิบัติการจัดกิจหลักภายในก็ดีเราจะต้องถือวันถือเวลาเป็นสำคัญเพราะ พวกเราอยู่เยอะวุ่นวายอยู่ดการงานต่างๆเหนือวันสคัญมีคนอื่นเขาไปเราคงมีโอกาสที่จะไปได้ถือว่าเป็นวันสำคัญตางสนวันสคัญ่นี้ก็ยังถือว่าเป็นธรรมดาไม่สคัญอะไรอายุยังอ่อนยังหนุ่มยังสาวอยู่เรายังจะม ่คิดไปทำนองนั้นก็เลยเนี่ยถือว่าวันสาคัญทางศาสนาเป็นสาระแจกตัวมัวแต่ทำชั่วทําเสียอยู่เลยเน่ยดี๋ยวตุ๊กไปปฏิบัติวันธรรมดาก็ถือว่าเป็นวันธรรมดาเียวันสาคัญก็ถือว่าพวกเราท่านยังดุ่มยังสาวอยู่เสียก็เลยมีโอกาสเวลามาชำาะจิตใจให้แต่นั้นวันสาคัญ อย่างวันนี้เป็นการจนสมัยที่สวกทเทรวาสถือโอกสาสมาทำบุญชุนทานคือโอกสาสมาวัดมาวาม า, าศาบมาไหวามาบูชาพระรันาตนาตัยส่วนพระพิคุสามมาเนรหรือนักบวชยู่ตังหน้าตัางตาประพือปฏิบัติบำ เ, เพ็ญภาวนานั้นขันือว่าํำคญทุกวันไป จะต้องรีดแร่งแต่ทําบําเพ็ญจิตใจท่องตนเพื่อมั่เชื่อผลถ้าแหากในเตือนจิตใจท่องตนอย่างนั้นใจมัวเมาประมาทเมินเฉยมไม่เด็ดต่างหน้าต่างตาถ้าเพียนเทวันเนี่ยยิ่เลือดตัญหามันไม่แหาโอกาสไม่หาเวลาไม่แหาวันนั้นไม่หาวันนี้ไม่หาเดือนหาปีมันเกิดขึ้นได้ ไม่ื่อเลดมากเท่าเท่าไยจิตใจก็ย่อมเหี่ยวแห้งจิตใจก็ยอ่อมมืดดำเลื่อดทบไปผลที่สุดก็ไม่รู้ว่าอะไรผิดถูกดีชั่วนี่คือเฉลี่เยเป็นแหาห่อหุ้มเหมือนกันกันกบคนขี้ตามืดตามัวมองอะไรก็ไม่เคยชัดเจนก่อนมันจะมืดจะมัวจะบอดมันก็ต้องมีอะไรสักอย่างเชือ่อก่อน ไม่อย่างนั้นมันก็ไม่มัวให้พอมันมัวไม่รักษาต่อไปมันก็มืดหนักเท่าผนที่เกิดกบอดในจิตใจบอดก็ทํานองเดียวกันในสาวะไอๆเป็นบุญเป็นกุศลเป็นขึ้นเป็นโทษให้ในสาวะวันใดเป็นวันสำคัญวันใดเป็นวันธรรมดาวันพระวันศีลก็ไม่ทราบเพราะจิตใจมันมืดมันบอดด่งวุ่นแต่แฮ เร่องเงินทองสิ่งของต่างๆในแนวมาบำรุงรักษากายเรื่องตายอันนี้ถ้าหากเราที่เจ้มาตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนถึงเป็นความจริงท่านในดักรุกคนจะยอมจะยอมจำน้นตามคำสอนของพุทธเจ้าถึงเราจะมีสิ่าของเงินทองวิ่งวุ่นอยู่ขนาดไหนเรื่องของตายก็มีความแก่ตารตายได้ ั้า้างเกตเราหงหัวเรายังไม่อยากแต่ถึงโอกาสเวลามามันก็ตายไปได้ไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายไม่ว่านักบวชไม่ว่าคาราวามันเป็นอย่างนั้นเขาของเงินทองที่เราแสวงหามาได้แทนที่จะป้องกันตายให้เรามันป้องกันตายไม่ได้ถึงวันตายมันตายไปเมื่อเป็นอย่างนั้นพวกเราท่าน นี่มีโอกาสเวลามาศึกษามาชำลาจิตใจนั้นถึงตายมันจะตายไปส่วนคุณงามความดีที่เรากอบปวยเอาดูดใจวาวาจใจโดยไม่ประมาอุตสาห์เพื่เยามทำตามโอวะทผู้พระผู้เจ้าทรงสอนคนนั้นถึงแม้จะไม่พ้นไปจากที่เหลือปัญหาในชาติปัจจุบันทันตาต่วตาแต่คุณงามความดีนั้น มันไม่เสื่อมไม่สลายไปที่ไหนจะเป็นเงาติดตนตามตัวไปพบขาดใหม่โดยแม่นักศึกษาสมัยปัจจุบันทันตาเขาถือว่าตายแล้วมีเกิอดอีกไหมอาจจะสงสัยในจิตในใจถือถือว่าตายไปแล้วไม่มีการเกิดให ม, ม่ความเห็น ของบางผ่านบางคนอาจเป็นไปอย่างนั้นทั้งที่เรียนวิชาทางโลกมาเพียงพอแต่ไม่ทราบเรื่องว่าตายเกิด น, นั้นมีจริงหรือไม่เกิดสงสัยอยู่ในจิตในใจเมื่อสงสัยการทําคุณงามความดีก็ไม่ตาที่จะทำเพราะทำไปแล้วตายแล้วก็ไม่ได้เกิดอีกความคิดความปุงมันเป็นไปในคานองนี้เรื่องเม่กล้าที่จะทําคุณงามความดีอะไร ถ้าหากตายไปแล้วไม่ได้เกิดครับร์โลกมนุษย์เต็มโลกอยู่นี่มันมาจากที่ไหนมันมาเกิดมันมาจากที่ไหนหรือจะถือเอาที่เหลือข้าใจถือเอาความรู้ของเราทงโงงๆขงเข้าเขาไม่ทราบมูลเหตุอของความจริงว่าตายแล้วเกิดเราปฏิเสธว่าตายแล้วม่ได้เกิดจะปฏ่เสธเท่าไรมันก็ไม่เปลียนใจตาม คามปฏิเสธของคนเหตุผลมันมีแต่ยังมีเชื้อคือกี่เหลียดปัญหาเรายังไม่สชาระแต่สั่ให้หมดสดออกไปจากใจจะปฏิเสธเท่าไรมันก็เกิดอยู่วันย่าง่ําเหมือนกันกันกบเราปฏิเสธพิชว่ามันไม่เผ็ดเรือว่ามันไม่เค็มจะปฏิเสธเท่าไรเมื่อเราทานจบไปแล้วก็แศร้ หนูเรามาเกิดแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันทางเราทราบ็อเราจะไปเกิดเราจะต้องเลือกหาสถานที่เหมาะดีนี่เลือกไม่ได้ความเกิดความตายของเราไม่เลือกไม่ได้แล้วแต่บุญกรรมที่เราทํามาจะอํานวยอวยชัยให้เราจะไปเกิดสถานที่ใดนั้นบุญกรรมจะแนบไฟทางศาสนาท่านบงบอกไว้อย่างนั้น แต่นั้นการเกิดตามตายทานี้ไม่มีบุญมีบาตเป็นเครื่องตกแต่งแล้วมนุษย์เราทั่วโลกมันเหมือนกันมันมีคนถึงคนต่ำคนดําคนขาวคนโง่คนฉลาดมันเสมอกันหมดเพราะทุกคนเกิดมาก็ปราดแฉ่ความถุกความสบายมีหน้ามีตามีรูปร่างต่างตัวเคลื่อสนุกงามทั้งนั้น เหตุใดเล่ามันจริงไม่สมปรารถนาให้ขอบพอบุญกุศลที่บุคคลนั้นนั้นทําไว้ไม่เหมือนกันทำมมันจริงจะเน่าทรดเน่แตกต่างกันทางปาสถนาท่านสอนไว้อย่างนั้นแต่พวกเรามันมืดมันบอดมันบอดแล้วภูเขาใหญ่โตระหโหถานขนาดไหนมันก็มองไม่เห็นผีแสงอะไรเป็นอย่างไรมองไม่เห็นทางนั้น นี่คือมันบอดมันมืดพระพุทธเจ้าท่านในบอดในมืดท่ า, านมีพระญาณในจิตในใจขอ ง, ของท่นานท้าบทราบดีแบบคนทําอย่างนั้นทํากรรมอย่างนั้นจะได้ไปเกิดอย่างนั้นทําการมอย่างนั้นจะได้ไปเกิดอย่างนี้ท่านทราบดีจึงมาแห้สอนพวกเราเหล่าพูา้เจ้าสาชนิดแต่คนคนที่ยังลืมหลองอยู่ให้รู้ให้เข้าใจให้ปฏิบัติ ในทางที่ดีที่ชอบเมื่อปฏิบัติแล้วตายไปถึงไม่ปฏิบัติยังไม่ถึงมาถึงผลตายไปเราจะไม่ขาดห่าจะไปเกิดในสถานที่เหมาะที่สมร่างกายควจะสวยสดงดงามไร้โรคไข้ไข้เจ็บอยู่เย็นเป็นสุขสติปัญญาวิชาคามรู้ควจะดีจะเด่นขอบุญกุศลส่งผลให้ ไปในทางที่ดีสิมีความสุขส่วนบาปกุศลเล่าก็ส่งผนให้ไปในทางที่ทุกคนสมัยปัจจุบันเรียนกันเรื่องของโลกเรื่องของธรรมเรื่องของจิตของใจเรื่องภายในเราเคยมองดูมันจึงเมืดจึงบอดดูเลือดไม่ทราบว่าอะไรเป็นของดีหรือเสียให้ เพราะเราไม่ไสนใจถึงเราจะปฏิเสธว่าไม่มีทวามเกิดแเราจะปฏิเสธว่าลุ่มบ่อไม่มีเราจะปฏิเสธว่าหัาวอตอหรือหนามไม่มีก็ลองดูเดินไปในตาถึงตาเราไม่เห็นก็ไปโดนได้เหยียบได้หนามมันจิ้น ม, มันแทงได้หัวตอมันโดนได้ลุ่มบอ่อมันตกได้ ทั้ทั้งที่คนนั้นปฏิเสธว่าไม่มีหลุมมีบอ่อความจริงมันมีอย่างไรมันก็เปลี่ยนไปอย่างนั้นแต่นั้นพระพูดใช้ใจสอนจึงสอนใหนประมาทที่แแถิือโอกาสทําคุณงามความดีเอาไว้กาจัดขับไล่เลื่อนยิ่งเลือดตันหาซึ่งเป็นคิดเป็นใครเสียจิตแก่ใจท้งองนคนที่มีความโลภความโกรธความหลงมากเท่าไรคนนั้นจะทุกข์ใจเท่านั้น ถึ ง, งจะบาดแค่ฐานจะล้นบ่างอยู่ก็าตามมันไม่มีการถูกให้เพราะใจมันโลภไม่มีเนื้อคอใจมันโกดเขาตัวของตัวใค้เดือดร้อนวุ่นวาแล้วก็ไม่ไปสู่คนอื่นอีกสับอื่นอีกนี่คือความโปกความโลภมันเป็นทีศเป็นไทยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากความหลงของจิต แต่เราก็ว่าเรารู้รู้หลงหลงนั้นพระพุทธเจ้ามีนิยมชอบชอบจะรู้ขนาดไหนปริญญาอะไร่อเธอะขาดี่เหลียยังอยู่หลังนั่งคอยยังโฉมตีจิตใจของตัวได้อยู่พระพุทธเจ้าอ่ะไม่ใช่คนรู้คนโง่ถหากเราบะพึ่งปฏิบัติมีสติปัญญารักษาจิตอะไรเกิดขึ้นภายในทาบได้อยู่ทุกวี่ทุกวันทุกระยะเวลาดีหรือทั่ว ก่อธาตุเหม้นกันกับเราคิดในขิดอยู่ในก้านในขีดพราะมันพับตอนนั้นตาเรามีเราก็มองเห็นหรเราไม่ไปคิดที่อื่นเราอยากจะดับเทียงเ่าหรือเบื่อหนำลายใส่เต่านั้นมันก็ดับได้แต่มันไหมมันเผาไปส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะน้ำลายจะเอาน้ำในบ่อในโอง่งไปดับมันก็ดับไม่ได้เพราะมันเซลใหญ่มันไหมไปมากแล้ว ทีกิเลสท่องใจก็เหมือนกันที่มันเปินไปอย่างนั้นเป็นไปอย่างนี้มีโลภมีโกรธมีหลงมีรักมีชอบต่างๆแต่อพอเราไม่เด็ระวังรักษาจะต้นเหตุของมันคิดไปอย่างนั้นปรุงไปอย่างนี้ถือว่าดีว่าเลิศว่าไปเสดวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้หลงเรื่อยไปถ้าอากเราดับแต่ต้นไฟพอมันปรุงทับขึ้นในจิตในใจสติ รู้ปัญญาแนะืสอนอันนี้เป็นพิษเป็นไัยนะถ้าหาฝ่าผืนปล่อยเอาไว้จะไม่จะเผาคุณ ง, งามความดีให้วอดวายใส่ไขคิดได้มีสติมีปัญญาสอนใจมันกไมเป็นพิษเป็นไยัยไม่ได้ออกมาทางวาจาไม่ได้ทำด้วยใจนี่คือการศึกษากาปรปฏิบัติธรรหมให้รู้จุดรู้ใจของตัวมองเข้ามาภายใน คนที่รู้ตัวรักษาตัวได้ถึงไม่มีความรู้ความฉลาดแา่เสด็เ ล, ลอยทั้งโลกกอดตามท่านก็อยู่เย็นเป้นสุขเพราะรักษาใจของตัวได้ใจเท่านั้นเป็นภัยอันต ร, รายสำคัญแต่พวกเราท่านการบำบุงใจรู้สึกว่าจะด้อยลงไปส่วนบำบ u l ง n g ตานะั้นอะไรที่ เราชอบเราแหาไม่ให้อยู่ใกขนาดไหนยากขนาดไหนก็วิ่งเข่นแย่งหาหามาบุลุขีบำรุงของสายบำรุงเทไรมันก็ไปตามหน้าที่ของมันอย่างความแก่มันก็แก่ไปถึงวันตายมันก็ตายไปได้อะไรจากตายไหนที่เจอแนะ่ใครแยบใจลงไปใจมันก็จะเห็นอาจเห็นทาให้สะาดตูงออกไปทางนอกเทไรมันจ็ ยิ่งแห่งใจาจอาจจากธรรมเพราะทาเป็นโอปัญิโกน้อเสมาภายในเห็นอะไรก็น้อมมาสอนใจข้องตัวเพราะโลกอันนี้มีใจเรื่องของธรรมถ้าคนมีปัญญาถ้าคนไม่มีปัญญาถึงจะแสดงให้ฟังขนาดไหนมันก็ไม่ไปฝังจิตถึงใจของมันได้เพราะใจมันห่งใจจากอาจจากธรรมนี่พวกเรานับ่านมี หมูมีตามีสติปัญญาพอสมควรจึงสนใจเข้ามาวัดมาวามาฟังธรร ม, มะอบรมจิตอบรมใจคลองจนขณะนี้เวลานี้หยุดใจของเราดีด้วยทั่วมันทั่วด้วยเหตุอะไรมันดีด้วยเหตุอะไรให้กำหนดภายในให้ดูภายในให้ดูใจของตัวทำลายใจของตัวผิดทั่วผีดเสียออกไปใจที่ดีที่นีความสุขก็ มันรักษาปฏิบัติเอาไว้เมื่อมันเที่ยงพอในเรื่องท้องมันเหมือนกันกับผลไม้เราบลละะํารุงรักษาด้วยน้ำด้วยปุ๋ยแล้วมันจะเริ่มเติบโตขึ้นไปจเริ่มเติบโ ต, ตขึ้นไปเรื่อยเรยผลที่สุดมันสุกแล้วไม่ต้องสอยไม่ต้องไปใคเหยื่าหิ้งมันมันกดหล่นท้องมันเองนี่ความดีที่พระพุทธเจ้าให้พวกเราอุตส่าห์จะทําบําเพ็ญก็ทํานองเดียวกัน เพื่อรักษาหยุดรักษาใจเอาไว้ใจที่มีบุญมีกุศลมีคุณงามความดีมีจินใจมีความมันทท่นคงภายในคิดอ่านอะไรมันก่อสะดุดจะทํางานทั้งโลกมันก่อสำเร็จเกิดสิ้นไปทํางานภายในคือทํางานทางธรรมมันก็มีเถิดมีผลที่จะแก้จิตแก้ใจท่องตนที่ท่องจิตคิดตรงต่าง ไม่หดแห่แหาเจอได้เพราะมันมีปัญญาเห็นอะไรอยู่ภายนอกก็นอาาสอนจิตสอนใจท้องตัวนี่คือคนมีปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรร ม, มะเห็นคนก่น้อมก็มาที่จนั่นภายในทของตนคนที่ควรลืมควรหลงนั้นถ้าเราไม่มีปัญญา ถ้ามาแล้วอย่าไปเกี่ยวข้งของเพราไปเกี่ยวข้องไปคิดทรุงเท่าไรยิ่งลุ่มยิงหลงเรื่อยไปใจจะเดือดร้อนวุ่นวายเราจะต้องหาบุคคลที่ม่เป็นพิษเป็นไทยแก่จใจข้องตัวมาสอนเยอก่อนเหมือนพระพุทธเจ้าก่า อ, อนที่จะเสด็จที่เน็ตเสด็มพระองค์ไม่ทรง ทอดทะเนกคนธรรมดาสามัญที่เห็นว่ารูปร่างกางตัวสวยสดงดงามจะทําให้ราคาปัญหามันจะเมือ่อหนี้พระองค์ทอดพระเนกเห็นคนแก่นํามาสอนพระไทยสองขันเห็นคนเจ็บเห็นคนตายนํำมาสอนพระไททสองขันพวกเราเราตามมีไหมใจมีไหมเห็นไหม ทุกคนปฏิเสธไม่ได้เห็นคนแก่มีความถูกไหมคนแก่ตากฝากาฟางกามืดกมัวควันกาโยกกาคนก็หลุดก็หล่นเย่อแรงอะไรก็ไม่มีคนแก่มันมาจากที่ไหนมันมาจากเด็แดงๆหนุ่มๆสาวๆสวยงามๆนั่นแหะมันเลยมาจากที่อื่น คนถือเราหลงจ้องตาดูว่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้พ่อเนี่ยของมันเป็นอย่างไรปู่อยากของมันเป็นอย่างไรคนนั้นมันก็จะไปทํานองเดียวกันรามันใเด็ของที่เสพประเสพแม่ จ, จากที่ไหนมันจะไปทํานองพ่อทํานองแม่ทางสายนี้ไม่มีใครที่จะกั้นเอาไว้มันจะต้องเดินไปสายเดียวกันแต่เราพิจารณาอย่างนั้นความจำเลือกิสกสารในจีเนียร์ปัญหานั้นกค่อยจะ เบาบางไปคนเจ็บทางนอกเคยเห็นไหมตัวของเราเองเคยเห็นนะเมืม่อเก็บมามันทุกขนาดไหนมันเป็นอย่างไรก็ควรจะทราบหยุดใจห ว, วั่นไหวกลัวตายอย่างนั้นกลัวตายอย่างนี้อยากให้มันหยุบมันดีมันหายมันคิดไปต่างๆนาน า, นาโลกท้องใจก็เบียดเบียนอยู่แล้วโลกท้องใจเกิดขึ้นอีก เลยเป็นสองโลกเพิ่มกันเข้าก็เลยมาสองเท่าของโลกเลยทุกเลยลําบาก น, า น, นี่ในะจึงผู้ที่มีอับมีธรรมในใจขาผู้มีอับมีธรรมในใจทำามเป็นอย่างนั้นท่านสบายถึงโรกใครจะียบเยียนกายของท่านแต่จิตใจของท่านคุ้มเจนนะได้เหนือการเกิเดเกิดมาแล้วมันจะต้องประสบพบเห็น การแก่ความเส็บดอย่างนี้มันดีมันไปเสียดที่ไหน ท, ไทําไมาคิดมาหลงเสียดอย่นี้ในเบญนายหรือการเกิดการตายนี้มันจะสอนตัวของมันอยงนั้นมันจะถอยใจยิงจังสังเวชในความลุ่มหลงท้องตัวนี่คือผู้ธีมีอัฐมีธรรมในใจเราไม่เช่นอย่างนั้นเห็นว่าใครมองก็ อ, อยากมองสริงคือ มันสวยมันงามเรอเกิดกำหนับยินดีเกิดตามชอบใจอยากได้เมื่อไม่ได้ตามทามมุ่งมากการชนะพอเกิดทุกข์ในจิตในใจได้มาแล้วสาเอาไว้ดังนั้นวิบัติไปพอเกิดทุกข์อีกแต่เ้าเรามีอำนาจศาสนาจะรักษาไว้ของตัวไวาได้ ตัวคลองตัวก็เป็นอย่างนั้นคนอื่นทั่วไปก็เป็นอย่างนั้นความรุ่มหลงมันมดหลงมาจากที่อื่นหลงมาจากใจชืจะไใจรักษาใจยังหาอาหารมาบำรุงรักษใจจะไหาธรรมะมาบำรุงดอกเ้ต่อนชนะาเรื่องสอนตัวในอย่างนั้นมันไม่มีวันสงบไม่มีวันสบายันสุ จะเกิดทุกข์เกิดโทษเกี่ยวตัวอยู่เรื่อยไปถ้าคนมีธรรมะในใจมีความสุขถึงอยู่ก็มีความสุขถึงตายก็มีความสุขในตัวในการเป็นอยู่ของตัวมีชื่อผู้มีอาจมีธรรมในจิตในใจคนที่ได้รู้จักเรื่องของใจว่ามีคุณค่ามีสาระอย่างนั้นพอไปตกทุกข์ยากลำบาก ในสถานที่ต่างๆหรือเห็นคนที่รักที่ชอบใจท้องตัวทุกอย่างลำบากพขอให้ลำพันไปทําไมมาทุกมาอยากว่าลำบากลำพันอย่างนี้คิดไปว่าเขาอยู่อย่างนั้นเขาลำบากลำพันก็เหมือนกันกับเราเอาของที่เคยอยู่ในน้ําส้นปลากว่มันอยู่ในน้ำมานานมันคงจะลำบากลำพันอยากไปเที่ยว ดูธรรดูเหวดูป่าดูธงดูดงดูบกเราสงสารเอามันเกิดจากน้ำมาเกิดในบกมัก็ายเสียบกทำนองเดียวกนมันไม่นท้องทะเลจาหนูตัวนี้ไปโยนลงทะเลหมันเียวทะเลมันตายเพราะใบกมนเนอย่างนั้นนี่จิตใจ ของคนก็เหมือนกันคนที่ไม่ได้คิดได้ขัถึงอัดถึงทรมาเห็นชายเจาาพระสงฆ์อยู่ในป่าในดงอดยากยากจนท่านคงจะเป็นทุกข์ท่านคงจะลำบากไม่มีความสนุกสนานอะไรที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่สวยงามในหน่าอยู่คิดไปในทานองนั้นจิตใจก็เหนียวแหง หโหดหูสงสารไม่ได้ถามความจริงของท่านท่านอยู่แบบนั้นท่านมีความสุขไหมท่านสุขเพราะอะไรถ้างแหากถามความจริงของท่านอย่างนั้นท่านที่เห็นที่เข้าใจในะอดในธรรมท่านจะบอกจะสอนให้ว่าการอยู่แบบนี้มันดีมันสบายมันไม่ได้รับจิดชอบอะไรพระพุใจเจ้า ท่านเคยมีปร า, า, าสาทราชวังเคยเป็นกษัตริย์ออกปฏิบัติอยู่ตามป่าหลายองค์ถึงเป็นสาวกของท่า น, นเป็นกษัตริย์จนเสรษฐีแต่เมื่อท่านหนีออกจากคาราวาส ไ, ไปตัง้งนาวตั้งตาปฏิบัติเพื่ออาจเผื่อทําให้อาจเท่นทำแล้วท่านไม่เคยกลับมาสู่คาราวาอีกถึงท่านโบรณขาวหรือท่านปริญญ์ทานอย่างผู้เจ้า บอควรที่จะไปปฏิบัติธรรมในสถานที่สวยงามเขาเคยสร้างให้อย่างง่านรู้สายขามหาอุบ า, าสิกาสร้างถวายจํานวนหลายโกกที่ทัพที่อาศัยที่แต่ทัพของพูตเจ้าจเจ้าแต่ท่านก็ไปเอาไปอยู่สถานที่ใดก็ไปเอถอะ่าใจของเราบริสุทธิ์ใจของเราสะอาดใจของเราไม่มีทุกข์ใจของเราไม่มีโทษ มันสุขมันสบายตายในวัดตายในร่มไม้ก็อปณิธานทางนั้นเพราะกิเลสมันดับมันหายไปจากตายจากใจของทาง่านมีพวกเราไม่เป็นอย่างนั้นไปทําศพสวยสวยงามงามหมดเงินหมดทองมากมายจ่ายกองขอช่างมันเป็นหน้าเป็นตาไหวดิบไหวดีอย่างนั้นอย่างนี้ ยี่งเหลือดังทับผมโฉมตีในใจจะทําใหญ่ทําโตทำํทำสวยทํางานขนาดไหนก็ทําไปเถอะมันไม่มีทางดีให้ข่าวทำลายใจสะอาดแล้วไปอยู่สถานที่ใดตายสถานที่ใดท่านไหนมีพบมีฉาตอีกต่อไปท่านไหนมีอะไรที่จะก่อทุกข์อีกนี่เราเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นเราศสตร์อย่างนี้ สาวกก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีครูอาจารย์คือท่านเลยทำม า, มาสอนโลกก็ดีท่านก็เป็นคนเหมือนเราตาก็มีหูก็มีจีเรียบตันแหากีบตาเหมือนกันกับเราแต่ท่านทําไมจึงมีความสุขกายสุขใจอยู่สะดวกสบายไม่วุ่นวายตังวลเหมือนเราเพราะนั้นเพราะท่านตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติชำระจิตใจของท่านที่เจอใน ตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนยอมจำนนครรสอนของพระพุทธเจ้าเป็นทของจริงทุกสิ่งทุกอย่างไปยิ่งปัญญาของเราละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งจะอัจใจจำในครรสอนของพระพุทธเจ้าอสอนนั้นและพระพุทธเจ้าเองพระองค์สอนมนุษย์โดยไม่คิดมูนค่าสอบแทนอะไรสอนเดย พระนตรตาสรุณาสงสารอยากจะให้ศาสตร์เหล่านั้นมีความสุขทั่วหน้ากันไม่ได้คิดเอางูฆ่าเหมือนอาจารย์เหมือนครูธรรมดาสอนสมงละเท่านั้นเดือนละเ่านี้นี่ทนทํางานด้วยความสงสารกับพระสารตัวของท่านเองท่านบริสุทธิ์แล้วจะไปสถานที่ใดจะไม่ทําอะไรมันก็บริสุทธิ์อยู่อย่างนั้น แต่พระองค์สงสารครูอาจารย์คือธรนมีอาจมีธรรมกว่าเหมือนธรรมถ้าในบุ้นหวังอะไรจากเราเราเลื่อมใสก็เป็นเรื่องของเราจะเป็นบุญเป็นกุศลเราไม่เลื่อมใสก็เป็นเรื่องของเราจะขาดทุนสินกําไรตัวาของท่านจะมีอะไรจากเราถ้าอาจยังมีความอยากจากคนอื่นคนนั้นก็ควรจะชำระสสารจิตใจท่องตัวในบริสุทธิ์เพราะความอยากมันเป็นปัญหา ความอยากเป็นตัวสมมุติไทยค้ามใจให้เกิดทุกข์ท่านาท้าบหาคนมีธรรมะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราท่านวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญวันมาฆาปุณามีได้จ่าพยายามจากสถานที่ลัดการงานบ้านช่องของตัวมาแต่ทาบำเพ็ญบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงพากัน และเล็กน้อถึงพระพุทธเจ้าท่านประพฤติปฏิบัติมีคนเหลือ่อมใสศัทธาจักจาราบบูชามากมายีิเลอตันแหในจิตในใจของพระองค์ชำระแก้สางเด็ดขาดออกไปท่านก็ยังมีการล่มหายใายไปคำวูของท่านจะฉลาดเกียบแหลมขนาดไหนกอดตามเรื่องเกิดแล้ว จ้จงมีแฝงปวนและแฝกสลายอย่างเราทุกคนก็เหมือนกันกับพระองค์ท่านไม่มีคนใดไม่มียาขนานใดไม่มียานแท้แท้นะอันใดจะไปโลกพระคิดพระจันาาท์พระเขาพระอังคารที่ไหนก็ตายจะต้องตายทางนั้นทุกคนจะมีความตายเป็นเรืเ่องาความตายแขนคออยู่ทุกการทุกเวลา ฉะนั้นชงพาการฝึกจิตอบรมใจให้ใส่ให้สะอาดให้าาใหดมดจดเมื่อใจของเราหมดจดหมดโทษหมดทุกข์เราจะมีความสุขคนอื่นจะไม่เห็นจะไม่เป็นอย่างเรานั่นเป็นหน้าที่ของเขาเราบริสุดแล้วเราสะดวกเราสบายไม่มีอะไรจะวุ่นวายในใจิตในใจ นี่คือการศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมะการรู้เห็นธรรมะเจินสนุกสบายทั้งเวลาตายเวลาอยู่ผู้ที่มีธรรมะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราท่านจงพากันนำธรรมะที่พระพุทธเ จ, จ้าทรงแนอนไปที่นิจจาจนาศึกษาเมื่อถอยใจในธรรมะ ว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่มีขิดและพอลงมือประฤติปฏิบัติการลงมือประปฏิบัติตามธรรมะยุดใจของเราจะเข้าถึงธรรมะคือความสุขความส ง, งบความละถอนที่เหลือปัญหาเข้มประจับชัดเจนภายในใจของตนในจ่อไปหาใบ ป, ประสานิยบัติปริญญานั้นปริญญานี้ แต่เราสาบดีและจิตใจเป็นอย่างนี้เป็นจิตใจที่ดีที่ใจเศร็จมีความสุขความสบายยิ่ยงกว่าสับทั่วโลกจะต้องฆ้าจะต้องเห็นเพราะธรรมะเป็นฐานที่ิโกคือเห็นเองเป็นปัจจัยตางรู้เฉพาะในผู้ปฏิบัติแต่นั้นจงนำ ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาอบรมและฝามาแต่งหน้าแต่งตาเพื่อปฏิบัติทุกคนก็จะประสบพบเห็นความสุขความเจริญการที่ใธรรมะถึงมาพอสมควรถเวลาพรยุติเห็นแนี้เรือบ้า